หน้าหนึ่งยเป็นคาถาที่เรียกกันง่ายๆว่ายะถาเป็นคาถาสำหรับให้กรวดน้ำการว่ายะถานี้ให้ว่าเป็นภาษาไทยโดยมีทํานองเล็กน้อยดังต่อไปนี้ยะถาวาริวหาปูราปาริอุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสภเปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามนิโชติพระโสยธา